พระปตาจาราเทรีภิกษุณีผู้เลิศทางพระวินยัยอดีตชาติสมัยพระเจ้าปทุมุตระนางเกิดในตระกูลเศรษฐีกลุ่มหังสวดีไปฟังธรรมแล้วก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งว่าเป็นเลิศทางทรงวินยัยนางจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ให้ฉันตลอดเจวันแล้วเปล่งวาจาปรารถนาตำแหน่งนั้น ซึ่งพระศาสดาทรงพยากรณ์ว่าจะสำเร็จในสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะสมัยพุทธเจ้ากัสปะนางเกิดเป็นพระราชธิดาองค์ที่สามของพระเจ้ากิเกมีพระนามว่าพิกษุนีดูเรื่องพระเขมาเถรี ชาติสุดท้ายประสบโศกนาฏกรรมใหญ่นางเกิดในตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคัง่งในกรุงสาวัตถีเจริญวัยแล้วได้หนีมารดาบิดาไปกับชายชาวชนบทอัตถกะถาว่านางลักลอบรักกับลูกจ้างภายในเรือนเมื่อบิดามารดาจัดหาคนที่มีชาติเสมอกันให้แต่งด้วยนางจึงได้หนีออกจากเรือนไปอาศัยอยู่ห่างพระนคร 3- สโย อัตถกถาธรรมบทว่าขณะนั้นนางมีอายุ16ปีเมื่อให้กำเนิดบุตรคนแรกแล้วนางอุ้มคันบุตรคนที่สองต้องการจะกลับบ้านเยี่ยมมารดาบิดาและคลอดบุตรในเวลาสามีเข้าป่าหาของขายนางแอบหนีออกจากเกลือนพร้อมบุตรคนโตแต่สามีก็ติดตามมาทันนางเจ็บคันใกล้คลอดขณะนั้น มีเมฆใหญ่ทะมินตั้งขึ้นแล้วเกิดฝนตกหนักสามีเที่ยวไปเพื่อหาที่กำบังฝนให้นางและลูกจนถูกงู ก, กัดตายนางได้คลอดบุตรคนที่สองแล้วประดุษคนกำพร้าหมดที่พึ่งสว่างแล้วก็เดินทางต่อไปจนพบแม่น้ำสายน้อยไม่กว้างแต่มีน้ำเต็มเปี่ยมนางอุ้มบุตรคนเล็กข้ามไปวางไว้ที่ฝั่งโน้นก่อน แล้วก็ข้ามกลับมารับบุตรคนโตครั้งนั้นมีเหี่ยวตัวหนึ่งโฉบเอาบุตรน้อยวัยแแบเบาที่กําลังร้องไห้เจ้าไปบุตรคนโตก็ถูกกระแสน้ําพัดไปเด็กน้อยเข้าใจผิดว่าอาการที่แม่ไล่เหี่ยวนั้นคือกําลังกวักมือเรียกตนอัตถกถาเถรีคถาเล่าว่านางตั้งครันแรกก็ต้องการกลับไปคลอดที่บ้านมารดาบิดา แต่สามีต่อรองคัดค้านเพราะเกรงโทษไม่ยอมให้ไปนางแอบหนีออกไปเมื่อสามีกลับมาไม่เห็นจึงถามเพื่อนบ้านแล้วก็ติดตามรอยเท้าไปจนทันกันนางได้คลอดบุตรคนแรกแล้วมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะกลับบ้านแม่จนตั้งครรภ์นคนที่สองนางก็แอบหนีออกไปอีกสามีก็ติดตามไปทันแต่เกิดฝนตกหนัก นางพูดกับสามีว่านายจ๋าช่วยสร้างที่บังฝนหน่อยสามีก็ตรวจดูสถานที่พบพุ่มไม้มีหญ้าปกคลุมอยู่แห่งหนึง่งจึงได้ไปที่นั้นเพื่อไปตัดเอาท่อนไม้จากพุ่มไม้หลังจอมปลวกที่มีหญ้าปกคลุมทันใดนั้นก็มีงูพิษเลื้อยออกมากัดเขาตายฝ่ายภรรยารอคอยสามีอยู่นานก็คลอดบุตรคนที่สอง นางต้องใช้กายกำบังฝนให้บุรตลอดคืนจนร่างกายซีดเซียวเหมือนใบไม้เหลืองเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นนางก็จูงบุรคนโตอุ้มบุรคนเล็กเดินตามหาสามีจนพบว่าสามีตายแล้วนางร้องไห้รำพันว่าเพราะตัวเราทีเดียวสามีจึงต้องมาตายแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปทางกรุงสาวัตถีถึงฝั่งแม่น้ำอาจิรวดี มีน้ำสูงประมาณหัวขา่าวแต่หลายเชี่ยวกรากด้วยความที่นางมีประสบการณ์และกำลังน้อยคิดว่าน้ำลึกมากจึงให้ลูกคนโตรออยู่ที่ฝั่งอุ้มลูกคนเล็กข้ามไปก่อนแล้ววางนอนไว้ริมฝั่งจากนั้นก็ข้ามมารับลูกคนโตระหว่างเดินถึงกลางแม่น้ำมีเหี่ยวตัวหนึ่งคิดว่าทารกนั้นเป็นชิ้นเนื้อ จึงพุ่งโฉบลงไปนางเห็นแล้วก็ส่งเสียงและทำสัญญาไล่เหยี่ยวลูกชายคนโตคิดว่าแม่เรียกให้ไปหาจึงเดินลงน้ำถูกกระแสน้ำพัดไปจนตายเสี ย, ยใจจนเป็นบ้าได้พระพุทธเจ้าเป็นกาลยานมิตร นางเสียใจสุดจะประมาณรำพันว่าบุตรของเราคนหนึ่งถูกเหยี่ยวเฉียวเอาไปอีกคนหนึ่งถูกน้ําพัดไปสามีก็ตายเสียในที่เปลี่ยวเดินโซซัสโซเซไปยังบ้านของมารดาบิดาชาวบ้านจํานางได้อธกถาธรรมบทว่านางถามข่าวมารดาบิดาจากคนเดินทางซึ่งรู้จักครอบครัวของนางดี จึงบอกแก่นางว่าเมื่อคืนวานเกิดฝนตกหนักบิดามารดาและพี่ชายของนางถูกบ้านถล่มทับตายทั้งหมดทั้งสามคนก็ถูกเผาที่เชิงตะกรเดียวกันควันที่พื้นยังเห็นอยู่เลยนางเสียใจจนเป็นบ้าเดินไร้ผ้าอภรรไปตามท้องถนนพร้อมกับบ่นเพ้อรำพันว่าลูกสองคนก็ตาย สามีก็ตายที่หนทางบิดามารดาและพี่ชายก็ถูกเผาที่เชิงตะกรเดียวกันนับแต่นั้นนางก็ถูกเรียกว่าปตาจาราเพราะมีมารยาทหายไปไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มคลุมบางคนเห็นนางแล้วโยนขยะลงบนศรีรษะแล้วขับไล่ว่าไปอีบ้าบางคนก็โปรยฝุนใส่บางคนก็คว้างด้วยท่อนไม้ จนถึงพระวิหารเชตวันพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงพบความแก่กล้าแห่งญาณของนางทรงกระทําให้นางเดินเข้าไปทางที่ประทับ พ, พุทธบริษัทเห็นแล้วไม่ต้องการให้นางเข้าไปตรัสว่าอย่าได้ห้ามนางเมื่อนางมาถึงก็ตรัสว่าจงกลับได้สติเถิดน้องหญิงนางกลับได้สติด้วยพุทธานุภาพ รู้ตัวว่าไม่มีผ้านุ่งหมก็เกิดหิหริโอตัปปะมีชายคนหนึ่งโยนผ้าให้นางนุ่งหมนางถวายความเคารพและถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ด้วยและก็เล่าถึงความสูญเสียนั้นตรัสปรอบโยนว่าดูก่อนปตาจารา เธออยากคิดไปเลยเธอมาหาเราซึ่งสามารถเป็นที่พึ่งของเธอได้ก็บัดนี้เธอหลั่งน้ำตาเพราะความตายของลูกเป็นต้นเป็นเหตุฉันใดในสังสารวัตที่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ปรากฏก็ฉันนั้นน้ำตาที่หลั่งเพราะความตายของลูกเป็นต้นเหตุยังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่และตรัสต่ออีกว่า น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังมีปริมาณน้อยความเศร้าโศก ข, ของนอรชนผู้ถูกทุกข์กระทบแล้วน้ำจากน้ำตามิใช่น้อยมีปริมาณมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นั่นเสียอีกแม่เอ่ยเหตุไรเจ้าจึงยังประมาทอยู่เล่าเมื่อพระพุทธเจ้ากำลังตรัสธรรมเรื่องสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดนางมีความเศร้าโศก ทูลเล่าลงทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนปตาจาราขึ้นชื่อว่าชนผู้เป็นที่รักเป็นต้นก็ไม่อาจช่วยเหลือซ่อนเร้นหรือเป็นที่พึ่งของคนที่กําลังไปสู่ปราโลกได้ดังนั้นชนผู้เป็นที่รักเหล่านั้นแม้จะมีอยู่ก็เหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงชําระศีลของตน และทำทางที่จะไปพระนิพพานให้สำเร็จแล้วก็ส่งแสดงพระคถาว่าไม่มีบุตรที่จะช่วยต้านทานบิดาและพวกพ้องก็ช่วยไม่ได้เมื่อความตายมาถึงตัวแล้วแม้หมู่ญาติก็ช่วยไม่ได้สัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมาและธรรมะมีอยู่ในผู้ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมคบผู้นั้น นั่นเป็นอนามตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายนิพพานในโลกบัณฑิตรู้ใจความข้อนี้แล้วสำรวมในศีลพึงรีบเร่งชำระทางไปพระนิพพานทีเดียวจบเทศนานางปตตาจาราตั้งอยู่ในโสดาปติผลทูลขอบรรพชากับพระพุทธเจ้าทรงให้ไปบรรพชาอุปสมบทในสำนักภิกษุณีแล้ว นางได้อุปสมบทแล้วก็เจริญวิปัสนาเพื่อมักเบื้องบนขึ้นไปวันหนึ่งท่านก็นำหม้อน้ำมาเทรสล้างเท้าน้ำนั้นไหลไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็ขาดหายไปรสครั้งที่สองน้ำก็ไปได้ไกลกว่าครั้งที่หนึ่งรสครั้งที่สามน้ำไปได้ไกลกว่าครั้งที่สองนางถือเอาน้ำนั้นเป็นอารมณ์กำหนดไว้ทั้งสาม คิดว่าสัตว์เหล่านี้ตายเสียในปฐมวัยก็มีเหมือนน้ําที่เรารสครั้งแรกตายในมัชชิมวัยก็มีเหมือนน้าที่รสครั้งที่สองที่ไปได้ไกลกว่าครั้งแรกตายเสียในปัจฉิมวัยก็มีเหมือนน้ําที่รสครั้งที่สามไปได้ไกลกว่าครั้งที่สองพระพุทธเจ้าทรงทราบความเป็นไปของท่านแล้วทรงแผ่พระรัศมีไป ประหนึ่งประทับยืนอยู่ต่อหน้ารัสว่าดูก่อนปตาจาราข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละสัตว์เหล่านี้ทั้งหมดล้วนมีความตายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นคนที่เห็นความเกิดความเสื่อมของเบญจขันมีชีวิตอยู่ไปวันเดียวก็ดีขณะเดียวก็ดียังประเสริฐกว่าคนที่ไม่เห็นความเกิดความเสื่อมแม้ชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี ก็ตา่างแล้วตรัสอีกว่าคนที่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมของขันห้าแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าคนที่ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมถึงจะมีชีวิตอยู่ร้อยปีจบพระคาถาพระเถรีก็บรรลุพระอรหันต์ไปพร้อมด้วยปฏิสัมพิทา พบพระพุทธเจ้าฟังธรรมบรรลุธรรมเป็นเอตทัคคะบาลีอปทานเล่าสั้นๆว่านางเป็นผู้ถูกความเศร้าโศกใหญ่ท่วมทับจิตเดินทางไปยังพระนครสาวัตถีได้ยินข่าวร้ายซ้ำอีกว่ามารดาบิดาและพี่ชายของนางก็ตายแล้วนางบนเพ้อรำพันว่าบุตรสองคนตายเสียแล้ว สามีของเราก็ตายไปในป่ามารดาบิดาและพี่ชายของเราก็ถูกเผาที่เชิงตะกรเดียวกันนางมีสรีระสู้ผอมมีผิวเหลืองไม่มีที่พึ่งรอมใจเดินไปพบพระพุทธเจ้าตรัสเตือนสตินางว่าท่านอย่าเศร้าโศกถึงบุตรเลยจงเบาใจเถิดจงสแสวงหาตนที่พึ่งของท่านเถิด เดือดร้อนไปก็ไม่มีประโยชน์เลยบุตรธดาญาติและพวกพ้องไม่ได้ช่วยป้องกันคนผู้ถึงที่ตายได้เลยญาติทั้งหลายก็ป้องกันไม่ได้นางฟังแล้วสามารถทำให้แจ้งโสดาปฏิพลกราบทูลขอบวชเมื่อบวชเป็นภิกษุณีได้ไม่นานก็บรรลุอรหัตผลถึงความเป็นผู้ชำนาญในวิชาทั้งหลาย นางได้ศึกษาพระวินัยในสำนักของพระบรมศาสดาสามารถกล่าวพระวินัยทั้งมวลได้กว้างขวางพระพุทธเจ้าจึงทรงตั้งไว้ในตำแหน่งภิกษุณีผู้เลิศทางทรงพระวินยัยหลังท่านบรรลุแล้วก็พิจารณาทบทวนถึงการปฏิบัติของท่านในยามยังเป็นพระเสกขะและการบังเกิดขึ้นของผลเบื้องบนคืออรหัตผล จึงกล่าวคาถาอุทานว่ามานบทั้งหลายไถายนาด้วยไถยหวานเมล็ดพืชลงที่พื้นนาแล้วได้ทรับมาเลี้ยงดูบุตรภรยาข้าพเจ้าสมบูรณ์ด้วยศีลทำตามคำสั่งสอนของพระาศาสดาไม่เกียดคร้านไม่ฟุ้งซ่านฉะนั้นจกไม่ประสบพบพระนิพพานเล่าข้าพเจ้าล้างเทา้าใส่ใจนิมิตในน้ำ เห็นน้ำล้างเท้าไหลจากที่ดอนมาสู่ที่ลุ่มแต่นั้นข้าพเจ้าก็ตั้งจิตไว้ให้มั่นคงดุจม้าอาชาไนที่ดีถือประทีปจากที่นั้นเข้าไปยังวิหารตรวจดูที่นอนที่นั่งบนเตียงตอนนั้นก็ถือลูกดานหมุนไส้ประทีปลงความหลุดพ้นทางใจก็ได้มีเหมือนความดับของประทีปที่ลุกโพลงฉะนั้น สอนภิกษุณี30รูปให้บรรลุพระอระหันตนางปตาจาราเถรีนี้มีความสามารถในการแสดงธรรมอยู่รูปหนึ่งจะเห็นได้จากการแสดงธรรมแล้วทำให้สตรี30คนพากันออกบวชเป็นภิกษุณีอยู่บาเพ็ญวัดปฏิบัติในสำนักของท่านวันหนึ่งพระเถรีได้ให้โอวาาแก่ภิกษุณีเหล่านั้นด้วยคาถาที่ท่านอุทานหลังบรรลุ พระอรหันต์นั้นแหละว่ามานบทั้งหลายใช้ไถยไถนาหวานเมล็ดพืชลงบนแผ่นดินได้รัพย์มาเลี้ยงดูบุตรและภรรยาเรามีศีลสมบูรณ์ไม่เกียดคร้านไม่ฟุ้งซ่านฉะนั้นจะไม่บรรลุนิพพานเล่าเราล้างเท้าเห็นน้ำล้างเท้าไหลาจากที่ดอนมาสู่ที่ลุ่มใส่ใจนิมิตในน้ำ แต่นั้นเราก็ตั้งใจไว้มั่นคงดุดม้าอาชาไนาที่ดีถือประทีปจากนั้นเข้าไปในวิหารตรวจดูที่นอนขึ้นที่นั่งบนเตียงต่อแต่นั้นถือลูกดานปิดประตูลงกลอนหมุนไส้ประทีปลงความหลุดพ้นทางใจก็ได้มีเหมือนความดับของประทีปที่ลุกโพรงฉะนั้น ภิกษุณีเหล่านั้นเคารพในโอวาทแล้วเริ่มเจริญวิปัสสนาก็สามารถทำให้แจ้งพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิทาสีได้สำหรับคาถานั้นท่านอธิบายว่าคนเหล่านี้ถือสากตําข้าวเปลือกทำงานตําข้าวในครกของคนอื่นๆเพื่อเลี้ยงชีพทำงานตําๆเช่นนี้รวบรวมทรัพย์เลี้ยงดูบุตรภรรยาเป็นงานตา เมื่อเทียบกับงานประพฤติพรหมจาร์เป็นงานของปุถุชนเป็นทุกข์และไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงละเว้นงานเหล่านั้นเสียจงทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือการเจริญไตรสิกขาอีกครั้งหนึ่งท่านสแสดงธรรมทำให้สตรีขอทานคนหนึ่งชื่อจันทาเกิดศรัทธาเลื่อมใสขอบวชเป็นภิกษุณี บวชแล้วก็ตั้งอยู่ในโอวาทของท่านไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีอีกครั้งหนึ่งท่านให้โอวาทแก่สตรีห้าิห้าคนผู้ออกบวชเพราะสลดใจในความตายของบุตรเหมือนกันจึงมาเพื่อฟังธรรมสตรีเหล่านั้นฟังธรรมจากท่านแล้วเกิดความสลดใจพากันออกบวชในสำนักของพระเถรี ไม่นานก็บรรลุพระอระหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิทาสี 5. พระธรรมทินนาเทรรภิกษุณีผู้เลิศทางธรรมกถึกอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตะนางเกิดในตระกูลหนึ่งในเมืองหางสวดีมีอาชีพรับจ้าง วันหนึ่งได้เห็นพระอัครส า, าวกชื่อสุชาตเถระก็เกิดความเลื่อมใสถวายขนมและนิมนต์ให้ไปฉันโภชนะที่เรือนของตนอัตกถามชิมนิกายว่านางขายผมตัวเองแล้วนำเงินไปซื้อของมาถวายทานนายจ้างของนางทราบแล้วยินดีมากสู่ขอให้นางเป็นสภัายนางไปวิหารกับแม่สามีเพื่อฟังธรรม และได้พบเห็นพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งว่าเป็นเลิศทางธรรมกะถึกจึงต้องการปรารถนาตำแหน่งนั้นบ้างจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์รับมหาทานแล้วเปล่งวาจาปรารถนาพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของนางจากสำเร็จในพุทธสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะอธกถาเพิ่ม สมัยพระพุทธเจ้าปุตตะนางเกิดเป็นหญิงรับใช้ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลเรื่องทานของสามคนพี่น้องต่างมารดากันเมื่อถูกสั่งว่าจงให้หนึ่งนางก็ให้สองไม่เคยให้ทานลดลงเลยสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนางเกิดเป็นพระราชธิดาองค์ที่หของพระเจ้ากิกีแห่งพราราณสี มีพระนามว่าสุธรรมมาชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลเศรษฐีเมืองราชคลึถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยกับนายวิสาขค่ะวันหนึ่งสามีของนางเข้าเฝ้าฟังธรรมแล้วได้บรรลุอนาคามิผล เป็นพระอนาคามีไม่มีความยินดีในการมคุณอีกแล้วนางได้รับอนุญาตจากสามีให้ออกบวชไม่นานก็บรุอรหัตผลต่อมาอุบาสกอดีตสามีได้เข้าไปถามปัญหาอันลึกซึง้งสุขุมและท่านแก้ปัญหานั้นได้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วพอพระทยัยยกย่องว่าเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางธรรมกถึก อธกถาว่านางเป็นภรรยาของท่านวิสาขเศรษฐีผู้เป็นพระสหายของพระเจ้าพิมพิสารออกบวชเพราะอยากบรรลุธรรมอย่างที่สามีบรรลุอธิกะถาเล่าว่าท่านวิสาขอุบาสกผู้เป็นอดีตสามีของพระธรรมทินาเทรีนั้น บรรลุโสดาปติผลในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พระเจ้าพิมพิสารและชาวมคตสิบองนหุตคือหนึ่ง0สองหคนที่สวนตาล น, นมวันต่อมาท่านได้ฟังธรรมและบรรลุสกทาคามิผลต่อมาก็ได้ฟังธรรมและบรรลุอนาคามิผล เมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วท่านกลับมาสู่เรือนโดยอาการที่ต่างจากวันก่อนคือไม่ยิ้มแย้มเล่นหัวอย่างเดิมแต่กลายเป็นคนมีอาการสงบขณะนั้นนางธรรมทินนาแอบมองอยู่ทางหน้าต่างทำให้ได้เห็นว่าสามีกำลังกลับมาก็ทําความยิ้มแย้มให้เหมือนทุกวันแต่เขาไม่มองดูเลยนางจึงไปรอรับที่บันได พลางยื่นมือให้จับขึ้นเรือนอย่างเดิมแต่ท่านวิสาขะกลับหดมือของตนแล้วไม่พูดอะไรนางคิดว่าไม่เป็นไรเราจะถามในเวลารับประทานอาหารเช้าคลั้นในเวลารับประทานอาหารเช้าเขาก็ไม่มองนางนั่งทานอาหารคนเดียวนางคิดว่าเราจะรู้ในเวลานอนถึงเวลานอนเขาก็ไม่ยอมเข้าห้องที่เคยนอนกับภรรยา แต่สั่งให้คนรับใช้จัดห้องอื่นให้ตนนอนนางคิดว่าอะไรกันหนอะเขามีใจกลับสตรีภายนอกหรือหรือว่าคงถูกคนอื่นยุแย่ให้เราแตกกันหรือว่าเรามีความผิดอะไรอะไรแล้วเกิดความเสียใจอย่างแรงจึงเข้าไปหาไหว้แล้วยืนอยู่ท่านวิสาขะถามว่าธรรมทินนาะทำไมเธอจึงมาผิดเวลา นางกล่าวว่าเพราะท่านไม่เหมือนคนเก่าดิฉันขอถามหน่อยเธอท่านมีความปรารถนาภายนอกหรือมีใครยุแย่ท่านหรือตัวดิฉันทำผิดอะไรทั้งสามนั้นอุบาสกตอบปฏิเสธหมดนางถามต่อว่าแล้วทำไมท่านจึงไม่พูดกับดิฉันเหมือนทุกๆวันแล้วคะอุบาสกคิดว่า ชื่อว่าโลกุตระธรรมนี้เป็นของหนะักเราไม่พึงเปิดเผยแต่ถ้าเราไม่บอกนางก็อาจจะหัวใจแตกตายเพื่อจะอนุเคราะห์แก่นางจึงบอกว่าธรรมธินนาเราฟังธรรมจากพระศาสดาแล้วได้บรรลุโลกุตระธรรมผู้ได้บรรลุโลกุตระธรรมแล้วจะไม่กระทําแบบโลกโลกอีกถ้าเธอต้องการทรัพย์ ซึ่งมีของเธอสี่ร้อยส่วนส่วนของเราสี่ร้อยรวมมีอยู่แปดร้อยล้านเราจะมอบให้เธอเป็นใหญ่อยู่ในฐานะมารดาหรือน้องสาวของเราก็ได้ส่วนเราจะขอเพียงก้อนข้าวที่เธอให้เท่านั้นหรือถ้าเธอไม่ต้องการอย่างที่เราเสนอเธอจะเอาทรัพย์เหล่านั้นไปสู่เรือนของเธอก็ได้ หรือหากเธอต้องการชายอื่นเราก็จะตั้งเธอไว้ในตำแหน่งน้องสาวหรือลูกสาวก็ได้เราจะเลี้ยงดูนางคิดว่าธรรมดาผู้ชายจะไม่พูดอย่างนี้เขาคงบรรลุโลกุตระธรรมจริงจึงถามว่าทรรมที่ท่านบรรลุนั้นผู้ชายเท่านั้นหรือที่บรรลุได้อุบาศตอบว่าเธอพูดอะไรผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัตินั้นย่อมเป็นทายาทของธรรมนั้น ผู้มีอุปนิสัยก็สามารถได้รับธรรมนั้นนางกล่าวว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นขอท่านอนุญาตให้ดิฉันบวชอุบาสกกล่าวว่าดีแล้วเราเองก็ต้องการจะแนะนำให้เธอบวชเหมือนกันแต่เราไม่รู้ใจเธอจึงไม่พูดแนะ่อุบาสกยินดีรีบเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารถวายบังคมแล้วยืนอยู่ พระราชาตรัสถามว่าคฤหบดีทำไมจึงมาผิดเวลาละ่ะทูลว่าขอเดชะนางธรรมทินนาพูดว่าจะบวชตรัสถามว่านางสมควรจะได้อะไรทูลว่าไม่มีอะไรอื่นนอกจากวอทองและโปรดรับสั่งให้ตกแต่งพระนครให้เหมาะขอเดชะ พระราชาทรงให้เจ้าหน้าที่จัดการตามนั้นวิสาขาอุบาสกสั่งให้นางธรรมทินนาอาบน้ำด้วยน้ำหอมแล้วประดับด้วยเครื่องแต่งกายทุกอย่างให้นั่งบนวอทองมีหมู่ญาติแวดล้อมบูชาด้วยของหอมเป็นต้นไปสู่สำนักภิกษุณีถึงแล้วกราบเรียนว่าขอจงให้นางธรรมทินนาบวชเถิดแม่เจ้า พวกภิกษุณีเกลียดกล่อมว่าท่านคฤหะบดีความผิดเพียงหนึ่งหรือสองอย่างควรอดทนอภัยให้แก่การอุบาสกเรียนว่าไม่ได้มีความผิดอะไรหรอกแม่เจ้าเธอต้องการบวชเพราะมีศรัทธาภิกษุณีผู้มีความรู้ความสามารถรูปหนึ่งจึงบอกตจักระมัญจกกรรมฐานคือกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้า ให้โกนผมนางแล้วบวชให้อุบาสกกล่าวกับภิกษุณีผู้เป็นอดีตภรรยาว่าแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระธรรมไว้ดีแล้วท่านจงยินดีเถิดไหว้แล้วกลับไปนับตั้งแต่บวชแล้วลาบสกักการะก็เกิดแก่ท่านมากมายจนไม่มีเวลาบำเพ็ญสมณธรรมภิกษุณีผู้เป็นอาจารย์และอุปชาเห็นแล้ว จึงพาท่านไปสู่ชนบทแล้วบอกกรรมฐานที่ท่านชอบไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตเป็นพระอรหันต์ถึงพร้อมด้วยอภินิหารต่างๆท่านว่าที่พระเทวีธรรมทินนาบรรลุง่ายเพราะเคยขายผมและนำเงินซื้อของเพื่อถวายทานแด่พระอ克รส า, าวกของพระพุทธเจ้าปทุมุตระครั้นบรรลุแล้ว นางเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ชนบทเราควรจะกลับไปกรุงรัชครืเพื่อให้หมู่ญาติได้ทำบุญพวกภิกษุณีก็จะได้ไม่ลำบากด้วยปัจจัยสีแล้วไปพร้อมภิกษุณีสงศ์แสดงธรรมแก่วิสาขาอุบาสกอดีตสามี วิสาขาอุบาสกได้ทราบข่าวพระธรรมทินนาเถรีกลับมาก็คิดว่านางไปชนบทได้ไม่นานเลยก็กลับมาไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเข้าไปหาพระเถรีถึงสำนักของภิกษุณีนมัสการแล้วนั่งนัที่สมควรแล้วเริ่มถามเพื่อทดลองความรู้จากคำถามเบื้องต้นไปถึงคำถามเบื้องสูงตามลาดับเป็นต้นว่า พระแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสักยะสักกยะกายของตนกายของตนคืออะไรพระเถรีตอบว่าขันห้าที่คนยึดถือคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากายของตนถามว่าเหตุให้เกิดกายของตนคืออะไรตอบว่า ตัญหาความทยานอยากคือทยานอยากในกามในความมีความเป็นในความไม่มีไม่เป็นถามว่าอะไรมีส่วนเปรียบด้วยอวิชาตอบว่าวิชาอะไรมีส่วนเปรียบด้วยวิชาตอบว่าวิมุตติความหลุดพ้นอะไรมีส่วนเปรียบด้วยนิพพานพระเถรีติงว่าท่านถามปัญหาเกินกําหนดไป ทำให้ไม่อาจจะจับจุดที่สุดแห่งปัญญาได้เพราะพระมจัจารย์มีนิพพานเป็นที่มุ่งหมายมีนิพพานเป็นที่สุดถ้าท่านหวังจะทราบก็พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลถามเถิดจงทรงจําไว้ตามที่ตรัสตอบเถิดวิสาขาอุบาศกไหว้พระเถรีแล้วเข้าไปเฝ้ากราบทูลคําถามและคําตอบให้ทรงทราบ ทุกประการพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมทินนาภิกษุณีเป็นบัณฑิตมีปัญญามากถ้าท่านมาถามเราเราก็จะตอบอย่างที่ท่านตอบแล้วนั่นแหละท่านจงทรงจาเนื้อความนั้นไว้เถิดอธิกถาว่าแม้เป็นคำสอนของพระเถรีก็จริงแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัส ร, รับรองก็ย่อมเป็นเหมือนธรรมที่ทรงแสดงเอง เหมือนหนังสือที่ราชเลขานุการร่างขึ้นเมื่อประทับตราพระราชลัญชกรแล้วก็เป็นหนังสือของพระราชา